มีคำคำหนึ่งซึ่งสำคัญนะต่อชีวิตของเราต่อโรคของเราสังคมของเราคำนี้ก็สมัยนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะสมัยนี้เราไปเน้นเรื่องความเจริญการมีอะไรมากๆ คำนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับตรงข้ามของคำว่าเจริญแต่ว่ามันมันพาไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกว่าอันนั้นคือคำว่าสมดุลแลาวคำว่าสมดุลนี่สำคัญมากยุตียง ง, ง่ายๆการที่คนเรานี่จะมีความสุขได้เนี่ยมันก็ต้องมีสมดุลระหว่างกายกับใจ เดี๋ยวนี้ชีวิตคนเราส่วนใหญ่มันไม่มีความสมดุลนะระหว่างกายกับใจคือเป็นหนักที่กายมากกว่าเวลาที่เราใช้ส่วนใหญ่24ชั่วโมงเนี่ยตกล ง, งว่าส่วนใหญ่นี่มันหมดไปกับเรื่องของร่างกายปลนเปล่ร่างกายเราใช้เวลาไปกับการหาเงินเพื่อที่เราจะมี ข้าวมีอาหารมีปัจจัยสีเท่านั้นไม่พอก็ยังต้องมีรถมีบ้านมีเครื่องประดับประดามีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการปลนเปลอด้านร่างกายวันหนึ่งเราใช้เวลาไปกับการทำมาหากินเท่าไหร่วันหนึ่งเราใช้เวลาไปกับการอาบน้ากินข้าวเท่าไหร่นะวันหนึ่งเราใช้เวลาไปกับการ หลับนอนพักผ่อนนี่เท่าไรที่พูดมานี่ก็เป็นเรื่องของกายเสียเยอะเรามีเวลาชำระร่างกายวันละหลายชั่วโมงแต่ว่าชำระจิตใจเรามีบ้างไหมเรามีเวลาในการเทียร์ทายของเสียออกไปจากร่างกายวันนี้ก็มีการฝึกเรื่องการทำดีท็อกนะก็เป็นเรื่องการเอาของ เสียหรือพิจักร่างกายแต่พิษในจิตใจละ่ะของเสียในจิตใจนี่เราคิดจะถ่ายคิดจะเอาออกบ้างหรือเปล่านะเรามีเวลาพักกายเยอะนะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาพักใจการพักผ่อนของคนเราส่วนใหญ่มันก็เป็นการพักกายเสียมากแต่ว่าใจไม่ได้พักเช่นเวลาเวลาไปเที่ยวแล้วก็ดูหนังฟังเพลง พูดคุยบางทีก็เล่นไพ่กันแต่ว่าใจก็ไม่ได้พักเลยอันนี้เลยว่ามันไม่มีความสมดุลนะระหว่างกายกับใจและการมาปฏิบัติของเรานี่ก็คือการพยายามมาเพิ่มความสุขหรือว่าหน้าที่ต่อจิตใจให้มันทัดเทียมนะกับเวลาที่ให้กับร่างกาย เรามีเวลาที่จะมาดูใ จ, ม, ม, ใจมีเวลาที่จะมารักษาใจมีเวลาที่จะชำระจิตใจให้สะอาดนะอันเนี้ยมันมีส่วนช่วยทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกายกับใจครานี้เรามาดูกายนะกายนี่ก็ต้องการความสมดุล น, นะความสมดุลอย่างที่ มอเขียวหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายนี่เขาก็จะให้ความสําคัญมากกับเรื่องของธาตุหรือว่าพลังในร่างกายเช่นพลังร้อนกับพลังเย็นยิ่กับหยางก า, การดูแลรักษาของทางตวันออกนี่<ๆ>ก็จะในเรื่องการทำให้กายมีความสมดุลระหว่างธาตุต่างๆระหว่างดินน้ำลมไฟหรือว่าระหว่างธาตุเย็นกับธาตุร้อน การกินอาหารนะที่เรากินอย่างเบิกชานี่ก็เป็นการพยายามปรับสมดุลคือเพิ่มให้มีธาตุเจนขึ้นมาในร่างกายอันนี้ก็เป็นนะเป็นสมดุลอันหนึ่งนะที่เรามองข้ามไปไม่ได้ถ้าลองกาถ้าเราต้องการชีวิตที่มีสุขภาพดีในส่วนจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจก็ต้องการความสมดุลนะเช่นความสมดุลระหว่างเหตุผลกับความรู้สึก หรือเราเรียกเป็นอุปมาอุปไมยว่าระหว่างสมองกับหัวใจคนสมัยนี้เนี่ยก็หนักไปทางด้านเหตุผลซะเยอะคิดเก่งรู้ว่าอะไรดีอะไรถูกนะแต่ว่าใจนี่มันไม่ไปหลายคนก็รู้ว่ากินเล่าไม่ดีนะสูบบุหรี่ไม่ดีแต่ว่าใจนี่มันไม่ไ ป, ไนะไ จ, ไไปจะให้เลิกเนี่ยใจมันไม่ยอมเลิกสมองเนี่ยมันรู้ว่าน่าเลิกควรเลิกแต่ว่าใจนี่หรืออารมณ์เนี่ยมันไม่ยอม ถ้าเด็กทุกคนก็รู้นะว่ า, ากินผักนี่ดีนะทําการบ้านต้องขยันนะแต่ว่าเวลากินก็ไม่สนใจนะผักไม่มีใจอยากจะกินผักอยากจะกินเนื้ออยากจะกินขนมการบ้านก็ไม่อยากทําทั้นที่รู้ว่าดีหรือรู้ว่าถ้าไม่ทําแล้วมีโทษก็แต่ใจนี่มันไม่น้อมตามไม่น้มตาม พวกที่คอรัปชันเนี่ยพวกที่โกงเขาก็รู้นะว่าโกงไม่ดีคอรัปชันไม่ดีเหตุผลเนี่ยสามารถสาธยายได้ว่าไม่ดียังไงบ้างแต่ว่าใจนี่มันไม่ ม, ไ ม, มันไม่น้อมตามใจนี่มันไปอีกทางก็คือว่าอยากเสพอยากมีอยากรวยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเหตุผลกับอารมณ์เนี่ยหรือเหตุผลความรู้สึกเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันอย่างเราก็รู้นะเช่นการว่า สิ่งรอมตอนนี้มันแย่นะเราก็ต้องประหยัดเช่นว่าเราเราไปไหนนี่ก็ควรใช้รถให้น้อยนะเดินให้มากแทนที่จะใช้แทนที่จะนั่งขึ้นลิฟต์นะเราก็ต้องเดินควรจะขึ้นบันไดนะเราก็รู้นะว่าควรจะใช้โฟมให้น้อยใช้พลาสติกให้น้อยประหยัดไฟไประหยัดน้ํารู้ดีหมดนะแต่ว่าเวลาทําจริงๆเนี่ยมัน ใจมันไม่ไปนะเพราะว่าใจยังหวงยังโหยหาความสะดวกสบายเหตุผลไปทางหนึ่งอารมณ์หรือความรู้สึกมันไปอีกทางหนึ่งนะเวลาเราเวลาใครเดือดร้อนเวลาใครเขาเช่นเวลาเราเราก็รู้นะว่าโกรธนี่มันไม่ดีใช่ัอธิบายว่าความโกรธเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรเราก็รู้นะแต่ว่า เวลาใครมาว่าใครมาตําหนิเขาอดโกรธไม่ได้บางทีมีคนเตือนว่าอย่ากโกรธนะโกรธไม่ดีก็ยังเถียงกขาอีกนะว่ากูจะโกรธมีอะไรไหมนะทั้งนั้นที่รู้ว่าโกรธไม่ดีหรืออย่างที่เราสวนเมื่อกี้เรื่องเมตตาอนะเหตุผลนะใช้ความคิดก็รั้วเมตานี่เป็นของดีมีต้องสิบเ็ดประการเราอาจจะจําแนกได้ไม่ถึงสิบเอ็ดประการแต่ก็รั้วมันดีแต่ว่าเวลาจะพอแผ่เมตตาให้กับคนที่เขา เขาตอว่าเราคนที่เขากลั่นแกล้งเราเนี่ยเราแผลไม่ออกใจมันไม่ไปนะทนั้งที่รู้ว่าแผลไม่ตาดีหรือการให้อภัยก็เหมือนกันเราก็รู้นะว่าการให้อภัยนี้เป็นของดีแต่เวลาเราโกรธใครเกลียดใครเนี่ยเราไม่ยอมให้อภัยเลยยิงไกลชิดมาเท่าไหร่ก็ให้อภัยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นความขัดแย้งระหว่างเหตุผลนะกับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสมองกับหัวใจ เวลาใครเขาโกรธนะเวลาถูกตํเหนิเราก็แนะนำเขาอย่ากโกรธนะเวลาเวลาเพื่อนเราถูกวิจาร์เราก็แนะนำเพื่อนนะว่าเออลองเปิดใจฟังคาวิจารเขาดูนะว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างเราแนะนำเพื่อนได้แต่เวลาเราถูกวิจาร์เองเนี่ยเราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะเวลาเพื่อนถูกว่าเราก็หัวร้อ ย, ย่อเพื่อนว่าเออมันน่าขานะ แต่ว่าเวลาเราเจอเองนี่ขำไม่ออกหรือว่าเวลาเราเงินเวลาเพื่อนเงินหายนี่เราก็แนะนำเพื่อนแด้ว่าเออปล่อยวางเธอเงินทองเป็นของนอกกายหาใหม่ได้แต่เวลาเงินเราหายเองนี่โอ้โหสิบบาท20บาทหรือแม่ค้าเพียงแค่อทอนเงินไม่ครบขาดไป5้าบาทนี่เราก็คิดเป็นวันนะ ไอสิ่งที่เราแนะนําเพื่อนเอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่เราแนะนํามันเป็นแต่เรื่องเหตุผลแต่ว่าใจเราเนี่ยมันไม่ไปที่จริงแกระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็เป็นนะพระองค์เคยตรัสว่าเมื่อสมัยเรตรียมพระโพธิสัตว์คือยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็รู้นะว่าอาการนี่มีโทษแล้วก็เนคขมมะหรือว่าการออกจากกามอันนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่พระอง์ก็ยอมรับว่าใจนี่ไม่น้อมใจนี่ไม่น้อมไปใจนี่ไม่เลื่อมใสในเนคขมมะนะนี่สมัยที่พระองค์ที่ยังยังไม่ยังไม่ตัดสูรนะคือรู้นะว่ากามไม่ดีเนคขมมะดีแต่ว่าใจยังไม่น้อมใจไม่เลื่อมใสในเนคขมมะนะแล้วก็ยังไม่เห็นโทษของกามอย่างแท้จริงคือรู้ด้วยความคิดรู้ด้วยเหตุผลแต่ว่ายังไม่เจ็บไม่แสบกับ โทษของกามณนะตอนเมื่อได้เจอความเจ็บแสบของจั ก, กรกามแล้วก็ได้เห็นว่าเออเนคขมมะหรือการออกจากกามนี่มันดีนะทำให้ใจสงบนะได้สัมผัสกับเนคขมมะสุขก็ใจก็เริ่มโน้มใจก็เริ่มเรื่อมใสนะศรัทธาในเนคขมมะนะยิ่งได้มาปฏิบัติได้ออกบวชก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เพียงแค่รู้อย่างเดียวไม่พอนะเราต้องฝึกจิตหรือว่ากล่อมเกลาอารมณ์ของเราเนี่ยให้มันน้อมไปตามสิ่งที่เราเห็นว่าถูกว่าดีด้วยเพียงแค่รู้ว่าดีว่าว่าไม่ว่าไม่ดีแต่ว่าใจไม่น้อมตามเพราะไม่มีการฝุกฝนเนี่ยมันก็ไม่ช่วยที่เราการมาเจริญสตินี่มันช่วยเป็นกันนะมันช่วยมากเลยในการที่ทําให้ให้เหตุผลเนี่ยมันช่วยกล่อมเกลาจิตใจนะช่วยกล่อมเกลาอารมณ์เนี่ยให้ ให้คล้อยตามไปกับเหตุผลหรือการรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่ดีใจก็น้อมตามอะไรที่ไม่ดีใจก็ไม่เอานะอันนี้มันตรงข้ามคนที่ไม่อบรมนะคนที่อบรมนี่เขารู้ว่าดีแต่ใจไม่ไปไอ้สิ่งที่รู้ว่าไม่ดีใน ใ, นใจดันไปนะการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยในโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็บ่นกันว่านักเรียนทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยหรือว่าแม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัยก็สอนแต่เรื่องเหตุผลสอนแต่เรื่องความคิดแต่ว่าไม่มีการฝึกเรื่องกรรมก่นกล่อมกล่าวจิตใจมันต้องกลับมาที่เรื่องการปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ว่าการทําสมาธิการเจริญสติการเจริญเมตตาทั้งหมดนี้ก็คือการกล่อมกลาวจิตใจเราเรียกว่าอธิจิตติกขา เราทะเลกเต็มจนในเรื่องอาธิตย์ิตศิขขาหรือบางทีเรา็เรียกสันสวาสมาธินะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอบรมในในในด้านปัญญาหรืออาทิตอาิย์ปัญญาศิกขานี่ปัญญาที่ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเหตุผลแล้วมันมเป็นเรื่องการประจักษ์แจ้งมันอยู่เหนือเรื่องความคิดนะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อันนี้การเชื่อมคนเรานะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงให้เกิดสมดุลกันระหว่าง เหตุผลกับอารมณ์หรือว่าสมองกับหัวใจนี่ยากที่จะประสบความเจริญก้าวหน้าหรือแม้แต่พบกับความสุขนะมันจะมีความขัดแย้งในใจแล้วก็ถ้าอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่ได้ฝึกและอารมณ์เนี่ยมันมีพลังเหนือกว่าเหตุผลมันก็พาไปนะในทิศทางที่ไม่ดีได้หรือกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวได้และอารมณ์เนี่ยมันก็คิดหาเหตุผลที่จะทำให้เราเห็นแก่ตัวได้เยอะนะ คนที่เขาคอร์รัปชันเขาก็มีเหตุผลทำไมทำไมเขาต้องโกงนะโกงเพื่อชาตินะเพื่อจะได้มีเงินไปไปเข้าพักจะได้มีเงินไปเลือกตั้งจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลและจะได้นำพาประเทศชาติไปสู่ความสุขความเจริญเขาก็มีเหตุผลของเขาแบบนั้นหรือเวลาเราเวลาเราอยากจะเห็นแก่ตัวเรานั่งรถแล้วเราไม่อยากจะลุกมีคนแก่ หรือมีคนท้องยืนอยู่นะเราก็เหตุผลมันก็ไทเหต์อารมณ์มันก็ความเห็นแก่ตัวหรือความรักสบายมันก็อ้างเหตุว่าเราไม่ควรลุกนะอย่าพึ่งลุกเลยเดี๋ยวเขาจะเคยตัวนะเราก็นั่งต่อหรือแกล้งทำเป็นไม่เห็นอ่านหนังสือพิมพ์ซะนะออกอุบายเพื่อที่ทำให้เราเห็นแก่ตัวต่อไปได้ ถ้าเรามีสติเราก็รู้ทันนะรู้ทันความเป็นแกตัวรู้ทันกิเลสนะรู้ทันตัวตนอย่างที่พูดไปนะเมื่อสอสมัยก่อนรู้ทันพวกตัณหามาณาทิฐิมันก็ทําให้มันไม่สามารถที่จะหลอกล่อจิตใจให้เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปในทางที่ไฟต่ําได้นอกจากเรื่องของเหตุผลกับ อารมณ์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างการคิดเก่งกับการปล่อยวางความคิดนะเดี๋ยวนี้คิดเก่งมากแต่วางความคิดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้นะเพราะว่าเราสอนมาแต่อย่างเดียวนะก็คือสอนให้คิดเก่งคิดเก่งคิดได้ทนคิดได้นานคิดเป็นชั่วโมงคิดได้เป็นวันวันแต่หยุดคิดไม่ได้มันก็เหมือนกับรถนะที่ ที่ผลิตให้มีเครื่องยนต์ที่ไวที่เร็วที่แรงนะหลายสูบทีเดียวนะแสูบ16สูบนะแต่ว่าดันไม่มีเบรกนะรถแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากนั่งถึงแม้จะเป็นยี่ห้อเบนก็ตามนะเพราะว่ามันอันตรายและชื่อของคนเราก็เป็นแบบนี้แหละคือชื่อของเราเปรียบเสมือนกับรถที่วิ่งเร็ววิ่งแรงแต่ว่าไม่มีเบรก ค, คือคิดเก่งคิดได้เร็วนะแต่ว่าวางความคิดไม่ได้ สติเนี่ยมันจะมาช่วยตรงนี้แหละนะมันจะช่วยทำให้เร า, เาปล่อยวางความคิดได้ถึงเวลาที่จะถึงเวลาที่จะหยุดคิดคื อ, อไม่คิดเราก็หยุดได้ตอนนี้ได้เวลานอนแล้วนะเราก็วางความคิดตอนนี้เวลากินนะฉันไม่คิดละฉันก็อยู่กับการกินแม้แต่เวลาอาบน้าฉันก็ไม่ไม่คิดละฉันก็จะอาบน้เจิตก็อยู่กับปัจจุบัน ถ, ถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะ เป็นนายความคิดคือถึงเวลาคิดก็คิดได้ถึงเวลาหยุดก็หยุดได้แล้วคนที่มีสตินะเวลาเขาคิดเขาคิดอย่างมีทิศมีทางนะไม่ใช่คิดเปะปะหรือว่าคิดแบบพวกไปวนมาพวกที่คิดเก่งในส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้คือคิดวกไปวนมาคิดคิดอ่าไปสเปะสะปาดนะเพราะว่าหยุดความคิดไม่เป็นคุมความคิดไม่ได้บุรุษลานก็ถึงเปี่ยนมันกันว่า สติมันก็หางเสือนะเหมือนก็หางเสือคือทําให้มีทิศมีทางเมืนะ่อคนเราถ้าคิดมีทิศมีทางแล้วเนี่ยมันไม่ต้องคิดมากะคิดไปเดี๋ยวเดียวก็ก็จบได้แล้วแต่พอคิดไม่มีทิศไม่มีทางก็วกวนสเปะสะปะเสร็จแล้วก็นอนไม่หลับเสร็จแล้วก็เมื่อยเหนื่อยนะเรามีความสมดุลกันหรือยังระหว่างการคิดเก่งกับการรู้จักวางความคิดได้ อันนี้เราอยากสมดุลระหว่างกายกับใจระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างสมองกับหัวใจแล้วก็ระหว่างการคิดเก่งกับการรู้จักปล่อยวางความคิดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะที่เราจะต้องมีเช่นสมดุลระหว่างงานภายในกับงานภายนอกงานภายนอกเนี่ยก็เช่นการทํามาหากินการดูแลครอบครัวนะการช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้เป็นงานภายนอก นะบางคนก็อาจจะหนักไปทางด้านการทำาหากินนะแต่ว่าถ้าไม่มีงานภายในนะเป็นฐานนะให้งานภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่สูงนะแต่ไม่มีรากเราลองนึกเสีย่ับต้นไม้ที่สูงนะมันไม่มีรากหรือรากมันตื้นนะแล้วต้นอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ทนได้อย่างไรนะเจอพายุแรงๆก็โค่นนะ นะต้นไม้ที่สูงที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ใช่แค่สูงที่ลำต้นนะแต่ว่ารากเขาก็ลึกด้วยนะกิ่งไม่ใช่ไม่ได้แผ่ขยายกว้างเท่านั้นนะแต่ว่ า, าใต้ดิงก็แผ่กว้างด้วยยิ่งลำต้นสูงมากเท่าไหร่นเนี่ยรากก็ยิ่งหลังอย่างลึกลงไปมากเท่านั้นมันไปคนละทิ่คนละทางเลยนะแต่ว่าสำคัญต้องไปด้วยกันนะ ยิ่งต้นไม้แทงยอดสูงขึ้นฟ้ามากเท่าไหร่รากก็ยิ่งหยั่งลงดินลึกมากเท่านั้นนี่คือลักษณะของสมดุลในธรรมชาติมันจะไม่มีประเทศว่าสูงเสียด ฟ, ฟ้าแต่ว่ารากนิ่ตื้อไม่มีเพราะธรรมชาตินี่เขาเขาผ่านการลองผิดลองถูกมาจนกระทั่งรู้ว่าความสมดุลเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าข้างบนก็สูงข้างล่างก็ลึกนะมันก็เหมือนกับชีวิตของคนเรานะการทางานนะการทางานเราก็ งานภายนอกเราก็ทําเต็มที่แต่ว่าจะต้องมีงานภายในเหมือนกับฐานจิตที่ยังลึกนะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วคนที่ไม่มีงานภายในหล่อเลี้ยงเนี่ยนะแม้ประสบความสําเร็จมันก็หวั่นไหวได้ง่ายคือตอนประสบความสําเร็จก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะก็ดีใจมีความสุขแต่พอถูกวิจารณ์ถูก ถูกวิภาวิจารหรือว่างานล้มเหลวเข้าก็จะหวันไหวบางคนที่มีความสามารถประสบความสําเร็จแต่พองานเนี่ยมันเริ่มไม่สําเร็จแล้วก็เริ่มเครียดนะนักเขียนบางคนนะเมื่อวานนี้ก็พูดนักเขียนที่เขาประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังหนุ่มเขียนกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ได้รางวัลแต่สุดร้ายสุดท้ายนี่ก็ก็เครียดนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขียนไม่ออกก็เลยเครียด แ, แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ทําไมแต่มันก็มีนักขเขียนแบบนี้นะที่ที่เก่งมากนะได้รางวัลโนเบลอย่างเออร์เนสต์เทมิงเวย์เนี่ยเก่งมากเขียนนี่เป็นที่ยกย่องทั่วโลกแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเขียนไม่ออกเพราะมีปัญหาด้านสมองมีปัญหาด้านจิตใจเขียนไม่ออกนะก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายไม่มีความหมายทาไงอะ ก็อยู่ไปทำไมฆ่าตัวตายดีกว่าเขาก็ฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาเขียนไม่ออกมาสักสองสามปีหรือสี่ห้าปีเนี่ยอันนี้มันเป็นอ น, นิจจังนะคือสิ่งที่เราสิ่งที่มันสร้างความสุขแก่เราเนี่ยมันก็สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เราได้นะความสามารถในการเขียนเนี่ยทำให้คนมีความสุขนะแต่ว่าพอเขียนไม่ออกนี่มันกลายเป็นทุกข์เลยนะอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเนี่ย นะมีวัวก็ทุกพ่อวัวนะมีลูกก็ทุกพ่อลูกนะอันนี้ท่านพูดสวนกับเทวดาเทวดาบ ว, ว, ว่ามีวัวก็มีสุขเพ่อวัวมีลูกก็เป็นสุขเพ่อลูกนะผู้เจ้าท่านก็ตัดอีกอย่างนึงว่าเนี่ยในในอีกด้านนึงเนี่ยมีวัวก็เป็นทุกข์พ่อวัวนะมีลูกก็เป็นทุกข์พ่อลูกอะไรที่ทําให้เรามีความสุขมันก็สามารถจะทําให้เรามีความทุกข์ได้เช่นคนสวยเนี่ยก็มีความสุขกับความสวย ข, ของเขา แต่พอวันไหนที่เขาเริ่มแก่เริ่มไม่สวยเนี่ยอันนั้นแหละนะเขาจะเป็นทุกข์มากเลยนะจะยอมรับความจริงไม่ได้หรือคนที่เคยภูมิใจในสุขภาพดีนะว่าฉันเป็นคนมีสุขภาพดีฉันเป็นคนสมาร์ฉันเป็นคนหลอ่อฉันเป็นคนแข็งแรงแล้ววันหนึ่งเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่แก่นะอาจจะไม่สบายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนเก่า ก็จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่มีค่าแล้วความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนี่หมดไปไม่รู้จะอยู่ไปทาไมนะมีฐานคนหนึ่งเคยพูดว่าเนี่ยเขาภูมิใจในตัวเองมากว่าเขาเป็นชายชาติทหารแล้วเคยบอกเคยประกาศว่าคนไหนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายนะเขาเคยพูดอย่างนี้นะแตละ ว, วันนเขาเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งทำอะไรที่เคยทำที่เคยทำอะไรได้เยอะแยะทำแล้วก็ทําไม่ได้แล้วนะความภาคภูมิใจความเป็นชายชาติก็หมดไปรู้สึกแบบนั้นแล้ววันหนึ่งเขาก็ฆ่าตัวตายนะทะน่านที่เคยประกาศว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ลูกผู้ชายนะแต่ว่ามันพอพอชีวิตมันผันแประนะซึ่งมันก็เป็นธรรมดานะ สิ่งที่เป็นวัตถุทรัพย์สมบัติร่างกายสุขภาพชื่อเสียงเกลือนเรื้อรังสพวกนี้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเราเรียกว่าโลกธรรมนะถ้าเราไปเพลินกับมันนะพอมันผันแปรไปเราก็ทุกข์ด้วยเห็นนี้เองเนี่ยงานภายในถึงสำคัญมากเพราะคนที่มีทำงานภายในก็คือว่ามีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับความผันผนวนเปลี่ยนแปลงถึงเวลาสูญเสียถึงวลพัพราเาก็ หรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ยังมีความสุขอยู่ได้แล้วคนบางคนไปคิดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอันนี้ยังไม่ถูกนะถ้าไปคิดแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าทางานไม่สำเร็จก็ไม่มีค่านะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเป็นหมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าทำงานไม่สำเร็จนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นหมานะเพราะว่าความเป็นคนเราเนี่ยคุณค่าของคนเรามันไม่อยู่ที่ตรงนั้น น่าจะทำงานไม่สําเร็จแต่เป็นคนดีนะเป็นคนเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลเขาก็มีคุณค่าเหมือนกันนั้นที่บอกว่าเนี่ยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนี้ยังไม่ถูกทีเดียวนะแต่มันอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนดีไหมนะเขามีน้ําใจเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเปล่าลเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เป็นคนแก่คนเฒ่าทําทอะไรไม่ได้แล้วนะก็ยังมีคุณค่ายังมีสมควรที่จะภูมิใจในตนเองได้ว่าเออฉันก็ยัง สามารถทําความดีได้นะฉันฉันสามารถที่จะช่วยเหลือเอเฟื้อเกื้อกูลคนอื่นได้นะถึงแม้ว่าฉันจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะนั้นถ้าไปเข้าใจว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนี่ยคนแก่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าเพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วคน เ, นเขาเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมันขยะนะซึ่งมันไม่ไม่ไม่สมควรเป็นอย่างนั้นนะถึงแม้คนพิ ก, การก็เหมือนกันคนพิ ก, การเขาก็มีความเป็นคนเขาก็มีคุณค่าของเขา ถึงแม้ว่าเขาจะทาอะไรไม่ได้เลยอยู่บนเตียงทำอะไรไม่ได้ก็มีคุณค่าเหมือนกันอย่างน้อยเขาก็สามารถทำงานภายในได้เช่นอยู่บนเตียงก็ตามลมหายใจเข้าออกนะเจริญสติทำสมาธิภาวนาเป็นคนแก่ก็ทำได้ถึงแม้ว่าจะทำม า, ากินไม่ได้แล้วคนเราถ้าให้ความสำคัญกับงานภายในนะจะรู้สึกว่ามีคุณค่าตลอดเวลานะ ถึงแม้เป็นคนแก่ถึงแม้เป็นคนพิการถึงแม่ว่าเป็นเป็นพิการขนาดที่เรียกว่าเป็นผักเลยนะหรือว่าทําอะไรไม่ได้มันมีคนเป็นโรคบางชนิดเขาเรียกว่าเป็นโรคล็อกอินซินโดรมก็คือว่าประสาทนี่มันเสียไปเลยนะสะตินี่ดีความรู้สึกจิตใจนี่ดีแต่ว่าพูดไม่ได้สื่อสารอะไรไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้ บางทีกินข้าวยังกินไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงพูดนะพูดไม่ได้บางคนทำได้แค่กระพริบตาเราลองนึกถึงคนแบบนี้หรือว่าเราลองเป็นคนแบบนี้ดูนะอาตมาก็เคยเจอนะไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเขาสื่อสารอะไรไม่ได้เลยยุงกัดก็พูดอะไรไม่ได้ได้แต่กระพริบตาอันนี้อาการหนักกว่าคนที่ติดใน ในเมืองถล่มอย่างที่พูดเมื่อเช้านะโหคนติดอยู่ในเมืองถล่มนี่เราก็คิดว่าทรมานเต็มทีแล้วนะไม่มีอนาคตเลยว่าพรุ่งนี้จะอยู่รอดหรือเปล่ามองอะไรไม่เห็นมองอะไรได้ไม่เกินไปกว่าห้าฟุตหรือบางทีก็สั้นกว่านั้นแต่คนที่ตกอยู่ในภาวะที่เราล็อกอินซินโดรมเนี่ยมันหนักยิ่งกว่านั้นนะคือร่างกายในยกลายเป็นคุกเลยนะจิตใจเนี่ยเหมือนกับถูกขังอยู่ในคุกที่เป็นร่างกายพูดกั บ, พ, กบพูดกับใครไม่ได้ บอกให้เขารู้ว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันเหงาบอกไม่ได้ยกเว้นแต่กับพิบตาแต่คนที่เขาทางานภายในเนี่ยเขาก็สามารถจะอยู่ได้เหมือนกันนะมันมีคนที่เขาใช้วิธีการสื่อสารกับโลกภายนอกด้วยการกับพิบตากอไก่ขอไข่คอควายตัวไหนถูกต้องก็กับพิบตาตัวไหนไม่ถูกก็ไม่ต้องกับพิบตาเนี่ยก็ขเขียนเป็นหนังสือได้แต่เป็นคนฝรั่งเศสนะ เขาเขียนหนังสือเป็นเล่มชื่อว่าผีเสื้อกับชุดประดานามนะก็มีคนแปลเป็นภาษาไทยพิมพ์หลายครั้งแล้วแล้วเขาก็สามารถทำงานภายในก็ทำให้เขาเป็นสุขอยู่ได้แม้อยู่ในภาวะเช่นนั้นนะงานภายในเนี่ยสำคัญเราก็ต้องถามตัวเราว่ามันมีความสมดุลกันไหมในชีวิตเราระหว่างงานภายนอกกับงานภายในเนี่ย ถ้าเราทําแต่งานภายนอกนะแม้ว่าจะเป็นงานที่ดีชเช่นความรับผิดชอบต่อครอบครัวแต่ไม่ทํางานภายในเลยนะก็จะเป็นคนขี้กังวลเป็นคนที่วิตกเป็นคนที่หาความสุขได้ยากคอยวิตกกังวลแทนคนนู้นคอยวิตกกังวลแทนคนนี้หรือว่าคอยเป็นห่วงนะเกิดปริวิตกตลอดเวลาแลเราต้องฝึกนะทำงานภายในเนี่ยการที่เรามาเจริญสตินี่ก็เป็นการพยายาม สร้างสมดุลระหว่างงานภายนอกกับงานภายในแล้วงานภายนอกนี่มันก็ยังมีอีกนะต้องสมดุลกันนะระหว่างการดูแลครอบครัวกับการทํางานทำมาหากินนะบางคนก็ทํามาหากินนะจนกระทั่งไม่มีเวลาอยู่ครอบครัวนะอันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันหรือว่าบางคนก็อาจจะทํางานเพื่อช่วยหลสังคมแต่ว่างานนะในครอบครัวก็อาจจะนะบกพร่องไปมันก็ต้องได้สมดุลนะ นะลองดูเถอะนะมันมันมีเรื่องที่เราต้องจัดความสมดุลให้ได้ในหลายระดับนะนะชีวิตนี้มันเป็นเรื่องการจัดความสมดุลคราวนี้มาดูงานภายในเนี่ยนะมันก็มีอีกนะความสมดุลระหว่างธรรมะข้อต่างๆเช่นอินทรี่ห้เนี่ยการพัฒนาตนให้มีคุณธรรมหประการที่เรียกอินทรี่ห้พละหก็คือศรัทธาปัญญาสมาธิวิริยะแล้วก็สติ นะคนลรานี้จะมีความสู่ความเจริญได้ก็ต้องมี5ประการนี้นะและในหประการนี้ก็จับได้เป็นสองคู่นะนะก็คือศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิคือถ้าไม่มีสมดุลระหว่างศรัทธาปัญญานะคือศรัทธามากไปก็กลายเป็นคนงมงายถ้าปัญญามากไปก็กลายเป็นอาการเป็นคนที่ถือตัวหรือว่าเขาเรียกว่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปไม่ฟังใคร แต่ถ้ามีศรัทธาเนี่ยก็ช่วยได้นที่ทําให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนบางอย่างเราไ ม, ไม่อาจจะเห็นด้วยตัวเองแต่เราก็อาศัยศรัทธาเออครูบาอาจารย์ว่าอย่างนี้ฉันก็ทําหรือศรัทธาเพื่อนทั้งๆ ท, ที่ฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกไหมแต่ว่าศรัทธาเพื่อนก็ลองดูนะเพราะบางอย่างเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นเองไปเสียทุกอย่างบางอย่างก็ต้องอาศัยการเชื่อแต่เชื่อก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาว่ามันมีเหตุมีผลนะ เพราะถ้าศัทธาไม่มีปัญญามันก็ไม่ถูกวิริยะสมาธิก็เหมือนกันนะดีทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าไปหนักด้านในด้านใดเกินไปก็ไม่ดีนะเช่นสมาธิมากไปก็ไม่อยากทำงานนะแม้แต่เคลื่อนไหวมือไปมาก็ไม่อยากทำนะหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกตอนเวลาท่านสมายท่านยังไม่บวชเนี่ยท่านทำสมถะมากนะก็เกิด น, นิมิตจนกระทั่งแม้แต่จอบนี่ก็สมไม่จอบ เขียวเนี่ยสามารถจะเห็นมันพริ้วไหวเหมือนกับใบหญ้าเลยท่านบอกเวลาบางทีทนะ่านไม่อยากไปทำนานเลยนะอยากจะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆหรือแม้แต่เวลามาอยู่กับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนให้เคลื่อนไหวมือไปมาก็ไม่อยากทาอยากจะนั่งนิ่งๆนะนะไม่อยากทำอะไรเลยอันนี้เราสนักสมาธิมากไปมันก็ทำให้วิริยะหย่อนแต่ถ้าวิริยะมากไปนะเอาแต่ขยันนะ ก็เลยไม่อยากจุดนิ่งนะคนที่ขยันมากไปนี่ใจจะฟุ้งสมาธิไม่ค่อยมีนะคนที่ขยันทํางานเวลาให้มานั่งสมาธินี่โหทรมานมากเลยเพราะว่าใจมันไม่สงบเนี่ยนี่เพราะว่าจิตมันฟุ้งเนื่องจากทาวิริยะมากเกินไปนต้องมีสติมาเป็นตัวตัวประสารนะระหว่างศรัทธากับปัญญาสติเป็นตัวประสาน ร, ระหว่างสมาธิกับวิริยะพระห้านี่มันจะมีสติเนี่ยนะลอยเด่นอยู่ตรงกลางนะ ไม่ได้ไปไปไปเข้าคู่กับใครเพราะสะตินี่เป็นตัวสร้างสมดุลอยู่แล้วจะเห็นได้ไหมว่าในการทำงานเนี่ยไม่ว่างานภายในงานภายนอกความสมดุลก็ต้องมีไม่ใช่แค่สมดุลระหว่างงานภายนอกกับงานภายในแต่ในงานภายในก็ต้องมีความสมดุลระหว่างธรรมะคู่ต่างๆส่วนงานภายนอกก็ต้องมีสมดุลระหว่างงานครอบครัวกับงานส่วนส่วนรวมเป็นต้นฟังดูแล้วนี่ก็ อาจจะดูแล้วทําให้สับสนนะแต่ที่จริงเนี่ยมันมันไม่ใช่ยากนะถ้าจะสุขง่ายๆก็สุขอย่างที่หลวงพ่ออาจารย์พุทธทาสั้นพูดนะว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเจ็นและเป็นประโยชน์นะถ้าเอาสั้นๆง่ายๆนะคือสงบเจ็นนะก็ดีแต่ว่าต้องมีงเป้าต้องเป็นประโยชน์ก็คือทําตนเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยบางคนทำตนเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ว่าชีวิตไม่สงบเย็นจิตใจไม่สงบเย็นเราคงเจอเยอะนะ บางคนที่ใส่ใจกับครอบครัวดูแลลูกดูแลหลานดีแต่ว่าใจไม่สงบเลยนะกังวลอยู่เรื่อยเนี่ยเรต้องมีทั้งสองส่วนสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นพ่ออะไรสงบเย็นพ่อทำงานภายในจนมีสติมีปัญญามีสมาธินะเป็นประโยชน์พ่ออะไรเป็นระยบน์พ่อไม่มีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวน้อยก็มีแม่ตากรุณาเออเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประโยชน์นี่ก็เป็นงานภายนอก สงบเย็นก็เป็นงานภายในแลวจะสงบเย็นได้ก็ต้องมีเนี่ยนะธรรมะสองสามตัวที่สำคัญเนี่ยคือสติสมาธิปัญญามาช่วยจะมองไปง่หนึ่งนะสงบเย็นก็เป็นเรื่องการทำชีวิตให้มีความลึกมากขึ้นนะชีวิตมันต้องมีความลึกลึกในจิตใจเหมือนกับลากที่ยังลึก ส่วนเป็นประโยชน์นี่ก็เหมือนกับการทำให้ชีวิตนี่มีมิติด้านกว้างคนเราเนี่ยนะจะเอาแต่มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเดียวไม่พอนะคนที่สนใจแต่ความยืนยาวของชีวิตนี่มันจะว่าไม่มีประโยชน์ก็ได้เราต้องสนใจให้ต้องทำให้ชีวิตเรามีทั้งความลึกและความกว้างเหมือนกับแม่นาม้าแม่น้ำนี่ยาวอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีทั้งความกว้างและความลึกสงบเจนเนี่ยก็คือการทาให้ชีวิตเนี่ยจิตใจเราลุ่มลึก เมื่อลุ่มลึกก็จะสัมผัสความสงบเย็นภายในนะสัมผัสกับพุทธภาวะทำให้รู้จักปล่อยวางมีอุเบกขาได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความกว้างความกว้างคือจิตใจกว้างขวางเ อ, อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ก็คือทำตัวเป็นประโยชน์นั่นเองนะเปิดใจกว้างรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นมันก็ต้องมีความสมดุลระหว่างลึกกับกว้างนะจริงพุทธศาสนาก็หลักๆ ก, ก, ก็มีสองอันนี้ก็คือลึกและกว้าง คนไปสนไปเคี่ยวพุทธศาสนามีแต่ด้านลึกอย่างเดียวคือด้านจิตใจไม่ใช่นะพุทธศาสนาก็มีเรื่องความกว้างเรื่องสังคมเรื่องการทําเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยนะคนเราถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยนักปฏิบัติทำถ้ามีแต่ความลึกแต่ไม่มีความกว้างก็ยังไม่ถูกนะก็คือยังไม่เอื้อเฟื้อเผ่อแผ่เกื้อกูลผู้อื่นอันนี้ไม่ใช่นะต้องจิตใจต้องมีการทํางานที่เอื้อเฟื้อผู้อื่นนะก็ไปเกี่ยวข้องกับสังคมไม่ใช่เก็บตัวอยู่แต่ในกุฏิอยู่ในป่า ต้องออกไปสู่โลกภายนอกนะช่วยเหลือเขาดูแลเกื้อกูลเป็นประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีความลึกภายในปฏิบัติธรรมมันต้องมีทั้งลึกและกว้างนะถ้ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สมดุลนะมันต้องมีสติเป็นคอยตัวเตือนแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องกํากับด้วยนะถ้าเราทําได้นี้เนี่ยชีวิตเราก็จะมีทั้งสงบเย็นนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะก็ฝากาไว้เท่านี้นะคำนี้ก็พูดกันเท่านี้